เครื่องอันวยความสะดวกสบายคนสัตว์ทรัพย์สินเงินทองข้าวของสารพัด ท, ที่อยากได้อยากมีที่จะครอบครองเอาไว้ให้ได้ความสุขรวมแล้วก็จัดแยกได้เป็นกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต้องกายที่ใครที่ฝ่ปรารถนาที่จะให้กา ม, มาสุขคือสุขทางประสาททั้งห้าสุขทางวัตถุหรือสุขทางเนื้อหนัง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 ดีอย่างไรทําไมท่านผู้ได้ประสบรู้จักสุขประณีตนั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามาสุขถึงกับละเลิกกามาสุขไปเสียทีเดียวส่วนเสียคือโทษและข้อบกพร่องต่างๆของกามนี้กล่าวโดยย่อมองได้สามด้านหรือมีสามตำแหน่งคือมองที่ภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและ มองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกรรมในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองที่ในตัวบุคคลหมายถึงมองที่กระบวนการก่อทุกภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกรรมแล้วก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกรรมหมายถึงมองที่สิ่งซึ่งได้ชื่อว่ากาม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 เด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินสีทั้งหลายแก่กล้าขึ้นมีการมาคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมปรนเพลินเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นต้องโพธพพะด้วยกายทราบธรรมรมด้วยใจแล้ว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 เขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายก็ไว้อย่างนี้แล้วพอเสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสุขก็ตามทุกก็ตามไม่สุขไม่ทุกก็ตามเขาย่อมครุ่นคำานึงย่อมบ่นถึงย่อมหมกใจอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาครุ่นคำานึงเฝ้าบ่นถึงหมกใจอยู่กับเวทนานั้นความติดใจใครอยากหรือนันทิความหื่นเหิมใจย่อมเกิดขึ้น ความติดใจใคร่ยากในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละกลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเขาก็มีพบเพราะพบเป็นปัจจัยก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็มีชรามรณะความโศกความคร่ำครวญความทุกข์ความเสียใจความคับแคนผิดหวังก็มีพร่งพร้อมความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนี หมายเหตุเชิงอัดพึงระลึกถึงพุทธพจน์ในนิพเพธที่กสูตรอังคุตรนิกายฉักกะนิบาต ท, ที่ว่าอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่เป็นกามไม่ราคาที่เกิดจากความคิดของคนต่างหากเป็นกามอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกย่อมดำรงอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นที่ระชนทั้งหลายจึงขจัดแต่เพียงตัวความอยากในอารมณ์วิจิตเหล่านั้น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 อย่างที Bali, right her her her her her her ่กล่าวในบาลีว่าราชาก็วิวาทกับราชากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาสกับพราหมณ์กหบดีก็วิวาสกับกะหบดีแม่ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องชาย